ก่อนรู้จักเกมแค่เอาน้ำลายของคุณมานิดเดียวเราสามารถบอกได้โดยยังไม่ต้องเจอหน้าว่าคุณตาดำหรือตาฟ้าผิวคล้ำหรือผิวขาวพฤติกรรมสออไปในทางหุนหันพนลันแล่นหรือใจเย็นแม้กระทั่งคุณมีสิทธิ์ตายด้วยโรคร้ายชนิดไหนในช่วงอายุประมาณใดเราก็บอกถูกนักวิทยาศาสตร์อย่างเรา ที่รู้และเข้าใจเรื่องของดี a ลึกซึ้งพอเห็นถนัดว่ามนุษย์แต่ละคนเป็นอย่างไร mm. ก็เพราะได้พ่อแม่แบบไหนจับคู่กันถ้าโกหกเราว่าเป็นพ่อแม่ลูกกันทั้งที่ไม่ได้เป็นเราสามารถเปิดโปงได้ภายในอาทิตย์เดียวขอแค่น้ำลายของทั้งสามคนมาเท่านั้นถึงวันนี้เรารู้แล้วว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์คือการสุ่มเลือกชายหญิงมาจับคู่กัน เพื่อแบ่ง d n เครื่องหนึ่งของเพศพ่อกับเครื่องหนึ่งของเพศแม่มารวมกันเป็นดี a ใหม่เฉพาะตัวของลูกพ่อแม่หนึ่งคู่มีศักยภาพที่จะผลิตเด็กแตกต่างกัน64ล้านล้านแบบเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นความแตกต่างได้ไม่มีที่สิ้นสุดเด็กจะหน้าตาดีนิสัยร้ายหรืออย่างไรขึ้นอยู่กับการสุ่มเอาของธรรมชาติ พอเข้าใจอย่างนี้ก็ไม่จำเป็นต้องไปเชื่อเรื่องการโดนบันดาลใดๆนอกเหนือไปจากนี้แล้วธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตก็เหมือนเกมเข้ารหัสเราจะมีชีวิตแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับการได้พ่อแม่แบบใดจับคู่กันเพื่อสร้างชุดรหัสใหม่แต่ไม่ต้องห่วงนักวิทยาศาสตร์อย่างเราเริ่มรู้จักรหัสและถอดรหัสได้มากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งเราเล่นเกมถอดรหัสดีเเเก่งขึ้นเท่าไหร่โลกก็จะยิ่งเจริญขึ้นเท่านั้นเราจะไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่สุ่มเลือกของธรรมชาติข้างเดียวแต่จะร่วมรับหน้าที่สร้างโลกใหม่ที่มีแต่คนหน้าตาดีอารมณ์เย็นไม่ต้องติดนิสัยเกเรหรือเจ้าเล่ห์เพทุบายมาจากพ่อแม่เหมือนอย่างเคยถ้าดีเเป็นต้นกาเนิดชีวิตและถ้าดีเ คือทั้งหมดที่สร้างคุณสมบัติความเป็นมนุษย์แล้วอะไรเป็นตัวจัดระเบียบ DNA DNA มีระเบียบการเข้ารหัสอย่างเป็นคณิตศาสตร์แล้วก็มีความสลับซับซ้อนเสยิ่งกว่าโปรแก ร, รมคอมพิวเตอร์ที่ฉลาดที่สุดในโลกสิ่งมหัศจรรย์ระดับนี้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยพลังความบังเอิญที่มีขึ้นเองได้แน่หรอ พ่อแม่บางคู่มีรหัสยีนปกติแต่ลำดับเบสในยีนของลูกเปลี่ยนเองเหมือนเป็นอุบัติเหตุเพียงเท่านี้จะเอาเอะไรมาประกันว่าใครเข้าใจดีเแล้วจริงๆถ้าไม่เข้าใจเกมจริงถ้าไม่ได้แก้เกมกันที่ต้นต่อจริงสิ่งที่จะได้มาไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ต้องการแต่อาจเป็นผลข้างเคียงที่คาดเดาไม่ถูก อันที่จริง DNA คือคำตอบอันเป็นที่สุดทางฝ่ายรูปธรรมที่น่าจะกระตุ้นให้ตั้งโจทย์ใหม่ทางนามธรรมเสียทีว่าแต่ละคนมาอยู่ในเกมเข้ารหัส DNA นี้ได้อย่างไร